นัโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทสะนกโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทสะนกโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทสะ กิตตังรันตังสุขาวหังธรรมะสกิยายัสสะถายัสมันเตหิสกัจยังธรรมโมโซตัปโอตีโอกาสนี้ก็เป็นเวลาที่จะ ได้สะดับตับฟังข้อปฏิบัติฝึกหัดกายวิาจายใจตามทางพระพุทธศาสนาที่องค์ของอข้อที่องค์ของกระรมศาสดาสัมมาธรรมพุทธเจ้าสีแขนแสดงบอกวันนี้พวกเราชาวทีโอที <c oughs> ได้มีโอกาสได้ปุูกฝังศรัทธาภาษาธะความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาได้กระทำบำเพ็ญ <c oughs> อย่างนี้อบรมอย่างนี้มาตามลำดับหลายครั้งหลายหนแล้วก็ได้ยินได้ฟังข้อปฏิบัติธรรมเทศนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายท่านหลายองค์หลายรูป จนถึงปัจจุบัน <c oughs> การอบรมอะไรในโลกนี้นะไม่ประเสริฐเลิศเท่ากับการอบรมจิตเพราะจิตใจเป็นใหญ่เราจะทำเราจะพูดอะไรต้องกาศัสจิตเป็นผู้สั่งทั้งหมดดังนั้น ผู้ที่มีบุญมีกุศลที่ได้อบรมตนมาแต่ปางก่อนเรียกว่าผูเบกตะปัญญาตาได้อบรมมาแต่ชาติปางก่อนกี่กับกี่การกี่พบกี่ชาตินั้นเกิดมาในปัจจุบันนี้จะเป็นผู้มีอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะคือ ตนตนนา ห, หมายเอาจิตใจและกายรวมกันเราก็เรียกว่าตนตัวตน <c oughs> ซัมมาคือชอบอ น, นิธิคือตั้งตนไว้ชอบชอบยังไงชอบไปตามธรรมะชอบไปตามความเป็นจริงทั้งเหตุและผล เหตุก็คือการกระทำทางกายวยจาจาใจผลคือจะต้องได้รับความรู้สึกเฉพาะขณะนี้เวลานี้ที่เราทำอะไรมาะกี่กับตกีกันก็าตามจะปรากฏผลในขณะนี้เวลานี้ผลนั่นก็มี <c oughs> สามกระแสกระแสหนึ่งคือ กิจที่เป็นกุศลกิตที่เป็นอกุศลกิจที่เป็นอภยกตะกิจที่เป็นกางกลางกิตที่ฉลาดเทว่ากุศลกิจกิตที่ไม่ฉลาดเรีว่าอกุศลกิจกิจที่เป็นกลางๆคือเวลาเข้าสู่ความว่างเข้าเข้าสู่ความลดกิจเข้าสู่ลงปัจจุบันนั้นจะมีความรู้สึกเฉยๆไ่รู้อยู่ ไม่ปุงไปทางดีไม่ปุงไปทางชั่วอันนี้จิตเป็นกลางกลางดังนั้นจิตจึงเป็นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราผมคนเล็บฟันนังอาการสามสิบสองทั้งหมดนี่นะเขาไม่รู้ว่าก็เป็นผู้หญิงผู้ชายเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุกรู้ทุกอะไร ถ้เป็นสภาวะธรรมชาติของธาตุินน้ำลมไฟที่ประสุมรวมกันแล้วก็ถูกสมมติว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ไม่รู้ดีรู้เชื่อรู้สุขรู้ทุกข์อะไรผู้ที่จะรู้ดีรู้เชื่วรู้สุขรู้ทุกข์นั่นคือจิตใจดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง ที่จำเป็นจะต้องอบรมจิตใจเอาอะไรมาอบรมจิตใจเอาข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงสีแจงแสดงไว้เราเป็นเพศการวาแเราก็เอาข้อปฏิบัติก็คือศีลขาสองแขนสองทิศสานหนึ่งนี่ เอาลมยังไงเขาเอาสติมาสำนึกตรวจดูก่อนจะทําก่อนจะพูดก่อนจะคิดเอาสตริมาตรวจเงินเขาจะไปเซอร์เวย์ทำถนนทุนทางหรือเขาจะเซอร์เวย์ไปทําเขื่อนน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะทํานู่นทํานี่ ในโลกนี้เขาต้องเซอร์วีจะไปตรวจ ด, ดูจะสร้างบ้านก็จะตรวจ ด, ดูดินจ<ม>ะสร้างถน น, นก็ตรวจ ด, ดูเส้นทางสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรทั้งหมดในโลกนี่จะสร้างอะไรก็เลิกแต่เขาต้องตรวจ ด, ดูซะก่อนเพื่อความมั่นคงท้าวอนในการทำแล้วจะไม่ให้เสียหาย okay? ดังนั้นการอบรมจิตคือต้องตรวจ ด, ดูอาการสามกายวิาจาใจ ตื่นขึ้นมามันเป็นเรื่องของกายวาจาใจทั้งหมดตื่นขึ้นมาจะต้องรับผิดชอบเรื่องกายนี่แหละไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายรับผิดชอบทอําไมก็ตรวจดูโอ้เราก็ผิดชอบเพราะเป็นอย่างนี้แล้วข้อข้องหน้าเพราะอย่างนี้อ่าแล้วข้อขงหน้าเพราะรักษาความสะอาดกำจัดความสปกปรก็เป็นล่างหน้าแปลงฟัน ถายหนักถ่ายเบาคนนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตรวจดูเพื่อมาให้หลงถ้าหลงแล้วมันก็จะทําให้จิตทังบนในสิ่งในในส่วนที่เป็นอนิจจ์นี่ในร่างกายของเราเนี่เป็นอนิจจ์ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีโดยเฉพาะให้ใจเข้าให้ใจออก เขาปรากฏความไปกิงอยู่อย่างเนี้ยหายใจเข้าแล้วออกก็เป็นธาตุลมเราก็ต้องอาศัยหายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกจึงมีชีวิตอยู่ได้ธาตน้ําเหมือนกันเราต้องดื่มน้ําแล้วกับถ่ายเบาธาตุดินก็นเหมือนกันอาหารการบริโภคก็ต้องบริโภค เ, เข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมามันมีลักษณะมีการเข้าการออกอยู่อย่างนี้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ดูแลรักษาอันนี้อบรมจิตเพื่อให้รูดเท่าสิ่งที่เราทําทุวันทุวันเนี่ยเพราะอะไรจึงทาเราก็จะได้เข้าใจว่าโอ้ร่างกายเราเนี่เราดูแลรักษาตั้งแต่เพื่อเรื่องส้นตั้งแต่คลอดออกมาถั้งกับพ่อแม่บูดูแลรักษาโตมาพอพูดได้เดินได้ไปได้พอเชื่อตัวเองก็รักษา ทั้งหมดเป็นภาระอยู่ดีที่ทงกายทั้งหมดเลยทุกชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆก็เพื่อจะหาปัจจัยมาเยียวยาบงรุงรักษาสุขภาพร่างกาให้อยู่ดีให้ปลอดภัยไปมาสะดวกสบายมีที่อยู่มีที่อาศัยอาหารทากินอะไรทั้งหมดเนี้ยเพื่อมาเยียวยาร่างกายนี่ตรวจ ด, ดูอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้ ชีวิตทุกชีวิตมีความลำบากเทกันไม่มีชีวิตคนไี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดดูแลรักษาจะอยู่ได้ไม่มีมต้องดูแลรักษาทั้งหมดทั้งคนพิการทั้งคนไม่สมบูรณ์ในใน ใ, ในส่วนต่างๆเกิดขึ้นมาข้อออกมาแล้วก็ไม่เหมือนกันาตามวิบากของใครของมันบางคนก็สร้างความลำบากให้พ่อให้แม่ เ, เป็นวิคนกระดิตผิดนโรไปต่างๆนานาบางคนก็ พ่อตอนแรกอบรมสมบูรณ์เรียงง่ายสอนง่ายบอกง่ายสอนง่ายนอกจากบากบุญคุณโทษบางคนก็พ่อแม่ทุนเทให้แล้วยังดีส่งเสียให้การศึกษาดีๆจบมาแล้วก็สร้างความลาบากให้พ่อให้แม่มากมาเยอะยะไม่ว่าประเทศไหนหรือประเทศไหนก็เหมือนกันผู้ที่อทําให้พ่อแม่ได้รับความสบาย กายสบายใจแล้วก <Tak> ah. ็อบเบกตะปัญตานั้นได้อุลมสั่งสมมาแล้วได้อบรมจิตมาแล้วลายชาติสมบเป็นคนมีความไม่โลภเป็นคนมีความไม่โกรธเป็นคมมีความไม่หลงความไม่โลภเพราะนิสัยชอบทำบุญให้ทานเนี่ยมาหลายชาติแล้วอย่างพวกเรานี่สำนัญท่านได้ข่าวว่ามีวันนี้มีครูบาอาจารย์ลุงปู่ลุงพ่อมาแสดงธรรมที่นี่ จะมีการตายพัฒนาหารตะวันตะบาทนั้นเอจิตที่ไม่โลภนั้นก็ยินดีทันทีถ้าจิตที่มีโลภแล้วก็จะอ้างทันทีว่าติดธุระทั้งนู่นตร้งนี้จะไปทำนู่นทำนี่ไม่มีเวลาไปวันนี้เถียรขัดเพราะมันมีความโลภคุมจิตอยู่อนี่ยลักษณะของจิตที่ไม่โลภนี่เป็นจิตที่สะอาดอจิตที่สราดก็หมายถึงว่า มองถึงประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ท่านนแหละกิจที่ในโลกนี่หละเป็นการฝึกตนละ่ะฝึกกิจละ่ะฝึกกิจมาให้หลงไม่มีอุปาทานในวัตถุข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติในโลกนี้มีใครเป็นตัวอย่างละ่ะมีเจ้าชาจิชัต t เป็นผู้ ก็ทำบำเพ็ญช่างวาลมีมาอย่างนี้มาเป็นตัวอย่างจนชาดูชายท่านทอนบุปราทานในวัตถุทิ่พระองคท่านมีอย่างที่เราได้ทราบกันแม้แต่ครอบครัวแม้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องอทั้งหลายนะั้นเสียสละได้ออไเพราะอะไรก็ ฝึกจิตมาอบรมจิตมาเพื่อเพืให้หลงในวัตถุออสลัดดอกสละดอกเอเห็นอะไรเห็นอะไรมีเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่มีใครมาขออะไรตอนชาติที่เป็นพระเวชนร์ดอนฟังดูขออะไรก็ให้หมดเพราะจิตที่ฝึกมาแล้วในการเสียสละมาะไล่กับไล่กันอืมตั้งแต่เล็กๆ น, น, น้อยๆมาจนเสียสละชิ้นใหญ่ๆ เสียละสิ่งที่เสียสละยากที่สุดก็ฝึกมาจิตโตองค์ก็เต็มไปด้วยความไม่โลภนั่นแหละเป็นนิสัยมากี่กับอีกการแม้แต่ประจักรราชสมุนเทียนเข้าของเงินทองเจตย ศ, รรศสื่อเสียงฐานะวิชาการต่างๆทั้งโลกที่ศึกษามาก็สละได้หมดชาปนองค์ไม่ได้ฝึกมามันก็สละไม่ได้แหละเพราะ ของที่หามาด้วยความลําบากยากเยน็นต่างๆนานาก็จะเสียแต่แรกทีมันก็ขึงห่วงๆจิตมัน่นถือมันม่นไว้บ้างบ่าจะมีความสุขความอสบายกับปัจจุบันของเงินทองนั่นส่วนนั่นเป็นส่วนที่บรรเทาปัญหาบรรเทาทุกข์ของสุขภาพร่างกายเฉยๆไม่ใช่เพื่อจะมาบรุงความสุขอเป็นตัวบรรเทาบรรเทาทุกข์แต่และอย่างเนี้ย่นพระองค์เป็นผู้ เป็นเนติแบบฉบับเป็นจอมศาสดาสามไตลโลกธาตุเนี่ยพระองค์ชาติที่ยังไม่ได้ตัดสร้เนเป็นเทาโพธิสัตว์เพราะองค์ก็สร้างอย่างนี้อย่างที่เราศึกษามาพระเจ้าสิบชาติน่ะอันหนึ่นงชาติทุดท้ายเป็นชาติพระเบสันดอนนะร้เสียสละมดใครทำได้ล้ว เสียตลาดเมตลูกสุดที่ลักกันหาเฉลีอืยเสียตลาดประสาทราชพรเทียนอืขออะไรให้หมดเนี่ยคิดดูสิเพราะอะไรเพราะกองคกลุ่มมาแล้วไม่ใช่แค่ชาติเดียวหลายกลับหลายกลับทีเอาสมไายของไรแสนมหากับรั้งมาดัางนั้นกาที่สร้างมาแล้วก็ผลก็เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดามนุษย์โลกจงเป็นอืม ใหญ่ในฐานะความเป็นอยู่เป็นมนต ก, ก็ยิ่งใหญ่ความรู้ก็ยิ่งใหญ่ใหญ่หมดสมบูรณ์หรือถึงขนาดนั้นก็สละออกได้เพราะอะไรเพราะถอนอุปาทานเพราะเพื่อให้นี่แหละการให้การเทศสารนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายนสาธุชนก็ฝึกให้เนี่ยฝึกให้กับเพื่อเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อให้ถอนอุปาทานในวัตถุที่เรามีอยู่ในโลกนี้ มาให้ว่าเป็นของเราจริงๆเป็นของเราของเราจะเป็นพระปฏีสังหาหริปสัพพิสังหาริปสัพร uh, วมมาใกล้ๆตัวเองคือกายสัพเมืจีทรัพย์โนสัพ พ, พวกนี้ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยที่มีพวกกัทรัพย์ทั้งหมด่แหอไม่วันใดวันหนึ่งทรัพย์เหล่านั้นก็จะหมดไปเหมือนกนกัสิ้นไปถ้าทรัพย์สมบัติเขาขอเงิงนทองให้หมดไปสิ้นไปชีวิตของเรา มันก็ไหลไปไหลไปไหลไ ป, ลไปเสื่อมไปเสื่อมไปไข้ความแกงดับไปทุกวันข้างหน้าก็สั้นเข้าสั้นเข้าข้างหลังยาวมายาวมาห้าสิบหกสิบปีแล้วข้างหน้าก็สั้นเข้าเจ็ดสิบปีก็สั้นเข้าแปดสิบปีเก้าสิบปีอย่างเงี้ยนะนับปันแต่ที่จะหมดลมหายใจถ้าหมดลมหายใจแล้วถ้าจิตใจของเราไม่ได้อบรม ไม่ได้ฝึกจิตให้หรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนแล้วจิตนั้นก็จะว่าุ่นคุณมัวฟุง้งซ่านลำคาญอมียอะไรลำคําควรอุ่นน้เราจะพัดพาแก่ทรัพย์ตําบัติของเราแล้วนะเนาะอุนน้เราจะพัดภาแก่สามีภรรยาของเราแล้วเนาะอุ่นน้อเราจะไม่ได้เราจะร่างกายเราจะแตกสลายแล้วเนาะเพราะ ไปตรวจโรกไปแล้วไปเห็นเป็นโลกที่ร้ายแรงแล้วจิตถ้าไม่ได้ฝึกเรื่องธรรมะก็จะวิตกกังวลฟุ้งซ่านลำคาญเก็บปวดตรงโู่นปวดตรงนี้ก็ไม่มีที่กําหนดอโรคภัยท่าลุมเข้ามาในจุดอ่อนในร่างกายของเราแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกธรรมะไม่ได้ฝึกพิจนาเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้ โดยเฉพาะโรคตับโดยเฉพาะโรคปอดและโรคหัวใจเสื่อมเพวกเนี่ยคนเราก่อนจะตายเนี่ยถ้าถ้าไม่มีหลักมันจะเอาจิดจะตั้งไว้ตรงไหนมันก็กังวลให้ลองกั้นใจลองดูก็ได้กั้นใจลองดูมันอนดัดขนาดไหนทรมให้ใจ เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้อืดตัดกขนาดไหนออกไปแล้วไม่ให้เข้าอืดตัดขนาดไหนนั่นแหละคนจะตายแต่เป็นลักษณะนั่นแหละเพราะว่าธาตุลมเข้าไม่ได้เข้าไปแล้วออกไม่ได้บางทีหลวงปูป่แบรนนี่กับธาตน้ําของท่านดื่มมะเรอสารน้ำเข้าไปแล้วมันไม่ทํางานข้างในอ่ะท่องพึงตึงอืดจัดน้ําอยู่ในกระในกระเพาะของท่าน หมอเขาตรวจดูเขาก็ดูดอกเอกดูดออ ก, อาออกทาาหน้ามันเกินคือมันไม่ทํางานแล้วส่วนระบบของเราระบบทาาหน้ามันไม่หมุนเวียนเหมือนปกติอไม่ไม่หมุนเวียนปกติคือมันผิดปกติแล้วเราจะไปเยายวยายังไงเอาเข้าไปมันก็ไม่ทํางานจะไปเยายวยาจะเอายารักษาจะมีเงินเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านจะหมอดีขนาดไหน จะให้มันปกติเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของความเสื่อมมันมีหน้าที่อย่างนั้นส่วนต่างๆของร่างกายเราใช้ไปนานๆไปแปดสิบเก้าสิบไปในหลวงปู่แวนทนาคารโอนั่นท่านกับเก้าสิบเอดปีพอใช่มามากขอต้งควรท่านกับพิจนาท่านยังไงก็ไม่หายนะอะท่านรู้ว่ายัางไงก็ไม่หายก็เตรียมตัวละ ธาดุลัดขันเตรียมตัวปกติท่านก็เตรียมตัวมาแล้วอ่ะก็จะเป็นหนุ่มธามาเคยอยู่กับท่านท่านเป็นผู้เลิศในความสงบและเลิศในความเพียรคุมพระคุมเนนในสมัยสองพันร้อสิบสามสิบสี่ธามาก็อยู่กับท่า น, านเดิ น, น, น, น, น 14, ตวนรตวจที่ใครเดินยังกรมใครไม่เดินจงกรมท่านมุ่งหวังเพื่อให้พระนี่กําจัดปัดเปล่าอาสวะเอจในกิจโดยเบิกร้อเปอร์เซนต์เลยโดยตรง ผู้ใดที่เชื่อท่านกับทำคัมพีร์บางวันกันกองได้ดับได้ดีเท่าทุกวันสลายรูปหลายองค์เพราะท่านเอาปินอยูอย่างเหมือนทหารคุมลูกจิตเพกฝุดน้อยที่สุดอสมน้าเสร็จลั่นกระบอกไปทำคัมพีร์ท่านก็ น, นั่งอยู่แก่ในหลวงพระสงฆ์กับขาทบทำปั๊บไปทําคัเพีร์ขาบทั่นไปหลังจาก ลานั้นไปแล้วทุ่มหนึ่งสองทุ่มนั่นก็นไปเดินตรวจเอาไปใช้ไปสูดดูใครเดินยังคงบ้างใครไม่เดินยังคงบ้าง<อ>คืนหนึ่งอาจจะมาไปนั่งอยู่ในถ้ำใต้ผ า, า น, นอนนั่นน่ะนั่งเดือดกำลังสงบงุ้มงับงุง้มงัมันเผลอมันง่วงนั่งนานนั่งง่วงท่านเอาไปซ้ายไปสองดูเห็นอ่าเห็นอะ้รก็เาเงาเตือนท่านเตือนว่าอย่าให้มันสงบนะา สงบคนนั้นมาท่านกิเลสพอสงบ ป, ป, ป, ปั๊บจิตน้ามิธาของข้อมองขงามทำให้ง่วงทำให้อยากหลับท่านก็สอนสอนแตกต่างองค์หลวงปู่สวรรค์หลวงปู่สวรสวรค์ทำใจให้สงบใจสงบแล้วจิตมันก็จะองใสสะอาดก็สามารถที่จะามรูปสัญญาอารมณ์ต่างๆใจนิ่งใจใสใจสบายแล้วก็เห็น อารมณ์ปุ่งจิตติดข้องเรื่องอะไรก็ไปตามแก่ตามปวดตามกำจัดปัดปอออกไปแต่หลวงปู่แบรนเนี่ยท่านจะสอนยังให้สงบพิจานาให้มากหรือเป่ามันหลงอยู่ตรงไหนมาเออมันก็หลงมันงดทั้งหลายก็หลงอยู่ที่กายที่ใจเนื้อพิจานาตรงไหนหกันได้อาการราดทั้งสองนี่แผมคนเล็บฟันหนังเราเห็นเช่นกระดูกตับไตใส่พุงใส่น้อยใส่ยาอาหารใหม่อาหารเข่าวน้ำดีน้ำเสย น, าา น, น้ำมังคนดน้ำมาเหลืองน้ำมูดน้ำลายน้ำไข้ข้อ พิจารณาตรงไหนก็ได้ในจุดนี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรมันตั้งอยู่ยังไงก็จะไปยังไงเรออ่างจิตวิประหลาดล่างคิดจิตวิประหลาดล่างสัญญาวิประหลาดเพราะสัญญาวิประหลาดมันจะเห็นไม่ถูกตามความเป็นจริงของจิตผู้ทุกข์ทั่วๆไปมันจะเห็นของมันสวยก็ ว, ว่าสวยของมันงามก็ว่างามอืม ของไม่ดีก็ว่าดีมันจะเห็นผิดจากความเป็นจริงท่านจะ ส, สอนให้ร่างทิฏติวิประสนาเนี่ยไม่เห็นช่นเห็นว่าผมงามมันกับร่างไวมันไม่งามพิจณาถึงที่เกิดของมันที่เกิดของมันสีของมันรูปร่างสันฐานของมันพิจณาแล้วพิจณาอีก ถ้ามันสวยนงานเป็นจะต้องตกต้องแต่งทำไมั้งคกนทิ้งทําไมต้องชำระศาสร์สามทุกวันทุกเวลาอย่างนี้ น, น, นะให้ควรพิจารณาเดินไปเดินมาอ่าจะเอาผมเขาแต่ผมนั่นแหละถ้าเข้าใจความาจริงแล้วไอ้สัญญาที่จําว่าทำไมเราเป็นหนุ่มสัญญาที่เข้าไปดูกระจกแล้วแต่งทรงผมทรงนั่นทรงนี้อยู่ในกระจกเพื่อจะออกได้แล้วเนี้มันก็จะเห็นความโง่ของตัวเองเพราะเรานี่มันโง่ เอน้ํามันนวดมาทาแล้วก็หวีทรงนั่นหวีทรงนี้ดูกระจกดูหน้าดูหลังเข้าใจว่าเจ้าของสวยเจ้าของงามเดินไปตรงไหนแต่ไม่ว่าเจ้าของสวยเจ้าของงามอย่างนั้นนี่ประหลาดเพรานี่จิตสัญญาไปประหลาดมันจําได้งั้นมันจำที่กระจกเราดูนะพอออกจากกระจกไปแล้วยังจาอยู่จางนั่นเข้าใจว่าสวยของงามถ้าไม่ได้พิจารณาย้อนกลับมันก็จะห ล, ลงอยู่นั่นนะจนแก่แก่มันก็ยังหองอยู่ เออไม่ร้องจะเป็นหนุ่มนะเดี๋ยวเริ่มสี่สีบห้าปีก็เริ่มแล้วแหะเห็นว่าผมเปของงามท่าไม่ล่างก็กรรมฐานนั่นก็วิปลาสตัวนี้ก็จะขรอตามครอบงามจิตทุกคนทุกการทุกสถานที่ทุกวันทุกเวลานาทีทททเออถือขึ้นมาก็ถ้าไม่พิเกนาเ น, นี่มือจะเห็นอยู่อย่างนั้นท่านเป็นท่านเป็สอนให้เอาปัญญาอาลงสมาธิ น้องปู่แบรน์นะฮะสอนหนึผมผลเล็บพันนังห้าอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันเห็นต่างตาขับไปกลับมาเดินไปเดินมาเดิในกม 2, 3, 3, 3, รมสองชั่วงสามชั่วโมงก็เดินมาถึงถึงหกชั่โงก็เดินถงนั่นตั้งแต่หกเที่ยงคืนชุมท่องนั่งโดยสว่างเหรอเอาอย่จังนั่นแหละเพราะวัดต่อธรรมเกดเดมเคเทพเยอะเคบุาเยอะถึงท่ากหกตัวเองอย่างนี้ ถ้าเราหนาวๆเราออกไปเดินชมกลมป่ากินเลสยังี้ออกไปเดินไม่ถึงสามสี่นาทโอ้หนาวไม่ไหวแล้วเข้าไปนั่งสมาธิข้างในดีกว่ามันก็รู้แล้วทเทวเทพทั้งระดับสูงก็จะระู้วรรคจิตของพระพอเราหลอกตัวเองนเะข้าไปนั่งสมาธินั่งไปยังไม่ถึงสามสี่นาทีโอ้หิมหนาว น, น, นอนสมาธิดีกว่าเขาเป็นนอนเลยนอนไปพอเข้มห น, นก็จับกุติยกมงเหวี่ยงเลยปั๊บเนี๊ย จะมาพิจารณาตัวเองโอ้มันหลอกตัวเองเลยรรเทำะอเขว่าทำเขาไม่สสาะสนุนให้พิจารณาอันนี้ก็ไปเห็นโทษตัวเองว่าตัวเองโง่จะทํำมากเกินไปและไม่พอดีเฮ้ยมึงโง่ขนาดนี้ตั้งตาจ้าไว้เดินยังกม้มล้วแดดหกโบมตั้งนาฬิกาไปเที่ยงคืนถ้าไม่ถึงเที่ยงคืนไม่หยุดตายก็ตายเหรออันนี้มันเกิดสุดดงเกินไปที่นี่ ่านั่งก็แค่เชือกคือเอาจนสว่างถ้าไม่สวา่ า, วางแล้วไม่ตีหกโมงเชา้าห้ามรู้ตายก็ตายนั่งทนหนาวอยู่ลมพัดโดนดอยพ้อหมก็ ม, มีอันสักลาไม่นี้สวมหัวก็ไม่มีนั่งหนาวสั่นอยู่จนสว่างเพิ่มไปเพิ่มไปก็ถ้าเกินไปท่านจะมาเตือนเจวตาไม่พอดีลูกปูแบนให้กรรม็มายืนอยู่ข้างๆมาเตืนอนอเตือนบอก ให้พี่เจนะอย่าไปใช้เหมือวมันควายอใช้มนุษย์ใช่คนอย่าไปใช้เหมือนวมันควาย เ, เราเมา่อพี่เจนะโอ้ชามารถเกินไปก็ไม่ดีนะเขาให้พอดีเดินสักตัวโมงสองตัวมงสามตัวโมงก็โ อ, อเรนั่งสองตัวโมงสามตัวโมงนอนสีส่ตัวโมงอย่าให้เกินนั้นทําอยู่อย่างนั้นแหละครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่อม้มันจะเป็นเลิศผู้มีความเพียร อยู่ด้วยกันวัดดอยเดินจง ก, กรมนี่โอ้ตั้งแต่ตวงน้ำเสร็จเริกประชุมแล้วห้อยโคมปับ๊บเราเดินได้หนึ่งสมองสองัปดาหไปมองท่านท่านยังเดินอยู่ท่านแก่กว่าเก้ 9, าพันษาไอ้นี่ท่านก็เกือบเจ็ดแปดสิบแล้วน้องปู่อมนั่นแหละท่านสอนเพื่อให้ได้คุณภาพตอนลูกศิษย์สุ่งหาถึงไม่มีปริมาณมากกว่าช่าง พอให้คุณภาพเอถ้าหากสอนพระได้อง 1, องคหนึ่งสององพระแต่ละองค์ที่สอนได้แด้ที่รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถที่จะช่วยศาสนาช่วยาชาวโลกได้เยอะคิดดูที่เราทราบข่าวประวัติแต่ละองแต่ละองค์นี่ท่านทําประโยชน์ในโลกเนี่เยอะเพราะอะไรเพราะเอฝึ ก, กจิตนั่นแหละฝ <c oughs> ึ ก, กจติตจิตทั้งฝึกดีแล้วนะ นำสูกมาให้แก่ตนเองและผู้อื่นและส่วนรวมทั่วไปอยู่ทที่ไหนเมืองไหนประเทศไหนก็ทำประโยชน์ผู้สนใจเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ประโยชน์กี่คนกี่ชีวิตละ่ะที่ท่านช่วยมานี่โดยเฉพาะหลวงปู่บแบร์เนี่ยทุกสิทธสู้หายเยอะที่สุดใครว่าพระบานิยาเวลาเข้าบรรจาเนี่ยไปคาลวท่านเต็มเนี่ยาลาบุ ห้ารอยรูปบางหกร้อยรูปบางวัดกับต่างร้ายร้อยวัดท่านกับเสียสละเอาน้ำต้น้ําตาลแต่ว่ารถแต่ละคันมาก็ท่านก็สั่งขนน้ําตาลขึ้นเครื่องอะไรขันเครื่องดื่มเครื่องไรที่เกี่ยวกับปานะนะท่านก็คนขึ้นรถไปทุกคันทุกคันทุกคันันทุกทุกขั้นเลยทุกพรรษาด้วยเอาพรรษาก็เป็นรวมกันนี่ท่านมีเมตตาลึกๆีเมตตามองเห็น ประโยชน์ในการสมเคราะห์อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่ใช่ต่เฉพาะวัดสาขาดต่างๆสงอสมเคราะห์ช่วยเหลือทั้งทั้งโรงพยาบาลหครงสร้างอ่แล้วก็ประโยชน์ทั้งสวนทุนทางทางต้นไม้ภูเขาเราก็อะไรที่จะเป็นธรรมชาติต่างๆทั้งการทาชีวิตของทานแต่ละวันถึงมีค่ามีราคามากอ่พระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิวัติชอบแล้วนะไม่ว่าแต่ลงปู่แบน หลวงปู่คนใที่เรารู้จักหล้ายหลวงปู่หลวงพ่อตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเป็นตัวอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวปู่ดุลหลวงปู่ต่างๆนั้นนาที่เราทราบชื่อนั่งนั่นแหละท่านทําประโยชน์ทั้งนั่นแหละฉะนั้นจึงการอมีประชาประสงฆ์อยู่ในโลกนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราอนุปาคารอบนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มายถึงว่าเป็นการนับถือที่ถูกต้องแม่นยําที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดถ้าไม่มีพระสงฆ์มีแต่พระธรรมอย่างเดียวเนี่ยใครจะสืบทอดล่ะเนาถ้ามีแต่พระพุทธรูปอย่างเดียวแล้วอย่างวัดสร้างใหญ่ๆจะโตสร้างพุทธรูปใหญ่ๆจะโตเดียวนี้ก็นิยมชมชอบสร้างแต่วัตถุกันเยอะอยู่ไม่ได้ตำเหนียวกต่ว่าสร้างวัตถุใหญ่ๆพระก็ใหญ่ๆาราก็ใหญ่ๆอะไรก็ใหญ่ๆ วัตถุมันเป็นเพียงพึ่งพาอาศัยให้ได้ไปพึ่งพาอาศัยไปรักษาสินปฏิบัติทำธรรมบุนให้ทา น, นทำธรรมวัตถุนั้น <c oughs> คือให้ทําตามปัจฉณาบารมีของแต่ละองค์แต่ละท่านบางท่านองค์ทั้นชาติม่านขอนท่านเคยเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเนี้ยท่านก็คิดใหญ่ทำใหญ่ มาเป็นพระแล้วแตยังคิดใหญ่ทําใหญ่อยู่อย่าอะไรต้องทใหญ่เขาเคยเป็นใหญ่เป็นตัวมาชาติสัอขรนู่อชาติบางกองกระท่านไม่คิดใหญ่มาทําใหญ่ทําพอประมาณพออยู่ได้อย่างหลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านก็ทําพออยู่ได้ไม่ให้โอเวอร์ไม่ให้เกินความจําเป็นแต่เฉพาะโดยหลวงปู่มั่นเนี่ยยกให้เลยป่ะอาตมาเคยนิ่งเมตเพีนท่านอ่ท่องทําทีแก้วอยู่กับหลวงปู่สวด จำปีพอไม่ได้แล้วอท่านคํ้ามาปรากฏตัวอยู่ในนิมิตแล้วก็อาตมาก็เข้าไปกราบในนิมิตสามข้างแล้วก็อบอกเอาจะตั้งชื่อให้ไหมนะฮะว่าตามนะวะ่าตามท่านท่านตั้งว่าเทวุปุณณะสันโดษว่าตามเทวุปุณณะสันโดษว่าสามข้างจาได้แล้วครยังจาได้แล้วครับครผม พอจําได้ราษฎงหายว่าไปเลยแล้วก็แปลยังไงนา ะ, ะบุญได้ว่าคุญน่าสันโดษอ๋อจันเข้าใจเพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่สันโดษมากน้อยที่ดีนี่ที่สงัดสงบปราลบความเพียนใช้หลวงปู่มันแล้วจะไม่ติดที่อยู่ในที่ไหนนานนานนานใจมันภาวนามันมันทรงอยู่มันไม่เสื่อมแต่มันประสงค์มันไม่ก้าวหน้าไป้าย ย้ายไปตรงนั่นที่แปลกๆที่ใหม่ๆมันก็ตั้งกิตขึ้นใหม่ขึ้นีกเองอตรงย้ายอยู่เรื่อยๆย้ายตรงนั้นจนทุกวันนี้ที่ท่านไป ย, ย้ยายไปอยู่ตรงนั่นตรงนี้ตามสถานที่ต่างๆเลยเทวุเท ว, ว, ด, ทวดาเขาเลยรักษาสถานที่ตรงนั้นเอาไว้กลายเป็นสำนักสงฆ์วางเป็นวัดว่างเท้าทุกวันนี้อาศัยพระทุดงที่ท่านเที่ยวไปทําำนิคมต่างๆตามหมูม่บ้านตา่ตางๆเลยเป็นชํานัก ขึ้นมามีพระมีเจ้ามีอยู่พราะอาศัยมาเท่าทุกวันนี่ก็าอาศัยพักธุดดงนั่นแหละไปพักตรงนั้นตรงนี้พอพักเสร็จแล้วเทวดาเขาก็รักษาอเทวดาที่ตาเราไม่เห็นนี่ก็รักษาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเทวดาที่เป็นมนุษย์ก็คือพวกเจ้าที่พวกที่มีที่อยู่ตรงนั้นแะ่ะเขาก็ดูแลรักษ า, าว่าตรงนี้จะไปทำหนะ้าอย่าบุกเบิกยาวทําบุ ก, บกทําลายนะเพราะว่าเคยพักมาพักบางที่ก็ก็ปักหลักเอาไว้ เป็นเกตเป็นแดนตามต่สถานที่ต่างๆเพรานั้นมานามาก็ได้ขอโอกาสอย่งวัดที่อัตมาเนี่ก็เป็นป่าดงโบราณร้อยห้าสิบกว่าไร่เป็นดงปู่ตาเขาดงปู่ตามเหฮศัก์เขาสมัยก่อนรอยสองรอยปีนั้นน้ามันท่วมคนเป็นโลกเป็นภัยสัตว์เข้าเป็นโลกเดินภัยและองค์พรยกมาอยู่บนโนนที่สูงหน่อย ดงตรงนั่นเลยบ้านตรงนั่นกเลยล่างมาถึงสองรอยกว่าปีอตมาเดินทุดงไปก็ไปฝากอาจารย์กีรวัตรเดินทุดงไปพักอยู่ที่นั่นจากนั้นมาท่านก็ปล่อยให้ตมาอยู่แล้วก็เลยไปทานนู้นไปทางเพชรชูรต์นั่นตามาอยู่ก็ต่อสู้มาชาวบ้านมาขับมาไล่เอาปืนมาไล่กลัวว่าเราจะยึดดองตรงนั้นไปขายให้ญาติพี่น้องเขาไม่พอใจพวกที่นับถือผู้ที่ปีศาจ น, นะเขาก็มา เอาลูปหลวงปู่มั่นไปติดเอาไว้เขามาสีกขาดลงไปถึงเช้ามากับผีขึ้นทันทีศักดสิทธิ์นะแม้แต่รูปหลวงปู่มั่นไม่ธรรมดานะเราไปทําอะไรไม่ดีไม่ชอบเนี่ยเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาเลยนะสีกขาดเราอัตมาเอารูปทุรงรูปที่หลวงปู่มั่นยืนทุ ด, ดงยืนเดินยองโกมัไปติดไว้ถ้าเขากราบต้นไม้ ก, ก็ให้ได้กราบหลวงปู่มั่นด้วยเราคิดอย่างนี้นะเฮ้ยไอ้พวกผีนม่นไม่ชอบพระเลยเอาปบทสงมาก็สีก พุ๊บตรงนี้เลยฉีดปุ๊บเราเออกไปวินธบาทก็ฝีขึ้นแขนเข า, เขาก็มมานั่งขอยาเราเบอริธทาบาทไปเรารู้แล้วไอ้นี่แหละเป็นคนสีดวะ่ะเพราะมันเกิดขึ้นตรงที่แกะแขนขาดพอดีฝีใหญ่ขึ้นมาเลยเ้าก็ขอขอยาก็เราก็เอายาให้ไปทามก็หายนี่ศักดิ์สิทธิ์แพศภาพนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะศักดิ์สิทธิ์ก็อะไรเพราะเทวดาเขาคุ้มครองรักษาทั้งกลุ่มมันเนี่ยสําคัญนะในสมณะ อันั้นเราพวกเราได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องถือพุทธศาสนาและสืบทอดขอวัดปฏิบัติตามสายพ้ <c oughs> อแม่ครู ว, ว่าอาจารย์มลุงปู่มั่นลุงปู่เสาลุงปู่อะไรที่เราศึกษาข้อรถต้องถือเห็นภาพอย่างนี้ <c oughs> ผู้ปฏิบัติเตี้ปฏิบัติชอบทั้งนั้นแหละเราก็าเอามาเป็นตัวอย่างฝึกตนมาฝึกตอนอยู่ที่ไห น, นล้วก็ฝึกเราไม่ใช่จะฝึกแต่อยู่ตรงนี้นะกิะเลสมันตามคุม ตามหลอกลวงจิตของเราอยู่ทุกการทุกสถานที่ทุกวันทุกเวลานาทีกิเลสเรา อ, อยู่ในจิตของเราคือมนทินควของสมองวันนี้ก็ได้คุยกแบบับพุทธ อ, อเดินมาบอกว่าท่องฟ้ามีฝุ่นละอองมัดคือทําให้ไอาจามมันเป็นพิษเป็นภยัยอัตมากระดิ่งตายแลฝุ่นละอองทุเรียนมันก็เหมือนกับมนทินคือกิเลสนั่นหแหละอยู่ในจิต บางคนที่มีกิเลสขมัวมองมากอพอกระทบกระเทือนอะไรก็มันไม่เห็นธรรมะมันก็มัวก็ขัดเคืองหงุดหงิดขึ้นมาเวลากระทบกระตั้นาตาหูวเฉมูกแต่ละวันและวันเนี่ยบางทีมันก็ชอบใจกับหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมวไม่ชอบใจขัดเคืองว่าวุ่นขุนมัวกระทบกระเทือนิกใจเฉพาะทุลีความโรคความกวนความหลงเป็นละอองเป็นทุลี ที่จะมาบทบังสติปัญญาของมนุษย์หสัตว์ทั้งหลายให้เศร้าหมองมเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยบางทีคนที่ธาตุอ่อนแ อ, องนี่เดินไปตามถำนวนน้งาบางทีก็แพ้ปุ่นบ้างแพ่อะไรบ้างเนี่ยเป็นไอ้บัตรเป็นไอเป็นจามอันนี้คือหมายถึงว่าธาตุธาตุร่างกายมันอ่อนภูมิต้านทานไม่พอเวลาพิษลม เรอองทุลีอะไรเข้าไปในร่างกายก็แกมิดโรคเกินไดเึ้นมาอันนี้เรามาเปรียบเทืยบทั้งจิตจิตเขาบุงคนก็เหมือนกันจิตที่อ่อนแอขาดจิตจิตไม่ได้ฝึกมาขาดสมาธิขาดปัญญาเวลากระทบเรื่องราวต่างๆที่ตัณตาตัณหทษ์ตัณยมหงเนี่ยพอกระทบมกเกินไปมันก็จะเกิดความไม่พอใจความพอใจขึ้นมาในจิตนั่นนแหลอเพราะ สติอ่อนสมาี่อ่อนปัญญาอ่อนอ่อนแอถ้าผู้ที่ฝึอกอิจฉามาดีแล้วอ่าสติก้าปัญญาคมกระทบอารมณ์ต่างๆอ่าสติก็มาเร็วปัญญาก็ตัดกระแสทันทีมาให้มันครอบนำจิตให้ลุ่มหลงจีตก็ตั้งมั่นอิจฉาก็มีสติยังกระทบเรื่องราวต่างๆทั้งโลกทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มัน ไม่ได้เป็นไรหรอกอเป็นอยู่ที่กิจคนนวดทือว่าโลกเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี่เศรษฐกิจก็ไม่รู้เรื่องกันเลยแต่ที่ไม่ดีอยู่ที่คนมวดไม่ดีอยู่ที่กิจของคนดีก็อยู่ที่กิจของคนคนที่เขาอยู่สุขอยู่สบายอยู่ไม่เดือนร่อนพุ่งไาก็ไม่เยอะในโลกคนมัวเรื่องนีคนที่ว่าวุ่นควมวัาเป็นทุกข์เดือร่อนไม่พอใช้ เงินทองไม่พอชาติคนที่ข่ารักเล็กทำางห น, นกันแตมีเยอะก็เป็นที่คนเเราจะไปโทษโลกลก็ไม่ได้อย่างนั้นเราจึงโทษที่คนที่มนุษย์เวลาผู้ปฏิวัติทั้งหลายเวลาใจไม่สบายก็อยาไปโทษสิ่งอื่นโทษที่เราเนี่ขาดสติสติมันน้อยก็ตั้งสติขึ้นมาขาดปัญญาคือเราไม่พิจารณาว่าอารมณ์นั้นเป็นอันนี้จังชัญนยะอารมณ์เป็ น, นญญาอาัะ อันนี้จังเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตมันไม่ใช่จิตอจิตเป็นผู้รู้อารมณ์อะไรนี้พอมันรู้อารมณ์ oranges. แล้วก็ละมันแย่าไปยึดไว้อารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ผ่านไปอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ผ่านไปอีกท่าอารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปอันนี้ถ้าอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีเอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็รับไปจิตเราเป็นผู้รู้เราก็ให้มันผ่านไปอย่าไปยึด อารมณ์นี่ว่าดีกับภูมิจิตผิดข้องไปอารมณ์นี้ไม่ดีกับตนัขัดเครื่องไปมันก็ไม่ได้เหมือนกับตาของเรากับรูปนนมันคนละอันตาเราก็เป็นหน้าที่เห็นเท่านั้นแหละรูปก็เป็นสิ่งที่สูกรูปของตาพอรู้แล้วเราก็รู้ว่ารูปนี้ดีไม่ดีก็ จ, กจัตเจ้ารูปมันไม่มีสุขมีทุกข์อะไรรูปทั้งหลายไม่มีกเิเลสอยู่ในรูปอันนี้เหมือนกันหมูกก็เหมือนกันจะหมูกเล่นกาย ใจนี่ก็เหมือนกันใจก็เพื่อทหน้าที่ที่จะรับทราบเรื่องอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละให้พยายามผู้ฝึกกิตต้องพยายามแยกอารมณ์กับจิตให้ได้ยเข้าใจว่าอันเดียวกันผู้ปฏิบัติภาวนาเนี่ยต้องให้เห็นจิตผู้จิตตัวเองจริงจะมีหลัก ในการปฏิบัติสมรถะวิปัสสนากรรมฐานถ้ายังไม่รู้เห็นอารมณ์ไม่รู้เห็นจิตเจ้าของเราก็ยากเพราะว่ากิเลสอยู่ในจิตมันจะตามหลอกล่อเราทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกการทุกสถานที่ไม่เลิกจัดบกคลไม่เลิกชาติชั้นวันนะมันจะตามบอกตามร้อนให้รุ่มลงเพลิดเพลินมัวเมาออยู่อย่างนั้นแหละเพะนั้นต้องปฏิบัติตามติดตั้งใจให้ดีเพ่งลงไปใหดีแล้วเรา บริกรรมพุทโธเอาพูดโธให้ได้พูทโธเป็นผู้ลูกอย่างเนี้ยอ่าสิ่งที่ถูกลูกน่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นู้อยู่แต่ถ้าเราขาดผู้ลูกขาดพูทโธขาดสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่แล้วมันจะเข้าใจผิดทันทีมันจะเป็นวิประหลาดขึ้นมาสัญญาวิปรลาดทิฏฐิคือความเห็นกับวิปลาสเป็นด้วยจิตมันก็วิประหลาดเป็นด้วยเออมันก็ความวิประหลาดนั่นแหละมันก็ทําให้จิตขุนมัวขึ้นมาทันทีนึ่งว่ามันถูก แต่คงจริงม่นก็ปิดจากความเป็นจริงอย่างที่ยกเปรียบแปรไม่ฟังที่หลวงปู่แบรนท่านสอนนั่นแหะท่านก็สอนตามความเป็นจริงของท่านอ่าพระถ้าเดินตามท่านนะพิจณากรรมฐานให้ชัดเจนและแกมแจ้งชัดเจนแล้วมันก็อยู่เป็นพระได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ปักพระกรรมฐานสมัยก่อนไม่ได้ประมาทคือท่านเดียวไม่ให้อ่านหนังสือธรรมะมาก ในกุติแต่ละหลังแต่หลังจะไม่ให้มีหนังสือธรรมะเลยถ้ามีแต่หนังสือวิธรรมวินัยเท่านั้นแหะให้ถูกต้องปฏิบัติตามธรรมตามวินัยแล้วก็เดินย่างกลมเพลินนะเพราะว่าอข้อปฏิบัติทั้งหลายน่ะทำวินัยจริงๆแล้วมันอยู่ที่อกายกับใจเนี่ยทำเก็อยู่ในรูปธรรมนี่อ่นามธรรมนี่เวทนาสัญญาสังขารสัญญาลูปธรรมคือทดินนําลมไฟนี่ทำทั้งหลายทั้งหมด แปดหมื 80, ่นสีพันพัทธังคันอยู่ที่ากายกับใจหมดเลยท่านมารวมยอดอยู่ตรงนี้จริงให้พิจาณาอยู่นี่แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีทางานเอาให้ชํานาญชนานาญให้มีวิสีในการเข้าออกของสมาธิและมีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวดัดอารมให้ทันเดี๋ยวให้มันครอบงำจิตพอกระทบปบรับรูดปัล๊ละปั๊บเลยจับอปกไปกระลุ่ยลูล่ละเลยอย่าไปหมายว่าดีถ้าดีมันกระปรุง แต่งติดตามไปอยากได้ต้องการดีถ้าไม่ดีก็ขัดเครืองขึ้นมาไม่อยากได้ถ้าเป็นตามมประวัตัิหาวิวัรนาในเมื่ามีก า, าราประวตัติฐานวิวัฒนาอยู่มันเป็นเหตุเพื่อสุงุฏไทยที่ให้เกิดทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ใจก็ไม่สบายละ่ะไม่สบายก็คือมันหลงล่ะจิตใจคองคอยก็ตามถ้าไม่สบายถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีขนาดนั้นคือหลงละ่ะหลงหลงธรรมะ ควจริงมันไม่ดีก็คือมันจริงแบบหนึ่งมันดีก็จริงอย่างหนึ่งไม่ดีก็จริงอย่างสุขขขงกข ก, ก็เป็นของจริงทุกข์ก็เป็นของจริงอุปเจ้าทุกไม่ให้เอพิจณาอย่างอื่นให้ละให้ลูกให้ลูกเท่าบอมันทุกข์ทุกข์มันไม่ดีไม่ดีเราจะไปเก็บไว้สมัยไม่ดีก็ละเลยหน้าที่ของสมุทัยคือตามตัณหาเพระาะว่าตัณหาบีบเพระาะว่าตัณหาเราต้องละสันทีตัวไหนเกิดขึ้นก่อนก็ละตัว น, นั้นแหละละตลอดเวลา มันก็ในหลวงของของเรารอเก้าเลยไปกราบเรียนทำทำมากกับหลว ง, งปู่ดุลนี่หลวงปู่หลวงปู่กิเลสสามตัวราคะโทสะโมหันนี่จะให้ลาะตัวไหนก่อนอหลวงปู่ดุลนก็บอกเฮ้ยตัวไหนเกิดก่อนละตัวนั้นเล ย, ยเห็นไหมท่านจะไว้ขนาดไหนตัวไหนเกิดก่อ น, ล ะ, น, น, น, อนละทันที ไม่ต้องไปเรียกว่าจะละราคะก่อนจะละโทสะก่อนละโมหะก่อนไม่ได้พกเพราะกิเลสมันเปลี่ยนขึ้นเกิดตอนนี้เกิดก่อนก็นละตอนนี้เกิดก่อนนะละจนมันํานาญให้มันพิ่จะละได้มันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกนะมันต้องฝึกสติให้ให้เยอะจริงฝึกสติจําเป็นมหาสตินู่นแหละยืนก็มีนั่งก็มีนอนก็มีดื่มกินพูดคุยมีความรู้ตัวทั่วความตลอดเวลาเอ่อจะไม่มีช่องโหว่นั่นแหละถ้าไม่มีช่องโหว่แล้วมันก็ ความหลงความเข้าใจผิดมันจะแทรกเข้ามาไม่ได้อสติสัมปชัญญะปฏิลาภะยะรูปตัวโทษพ่อมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจริงจะจิตเรศตัวน้อยตัวใหญ่มันจะซึมซาบเข้ามาทางตาหูจมูกล่้นจามจ่ะละอะไรเลยอ่ามันไม่เฉยไปตัวโอโตเมะสีเข้นมันมันไม่ไปปรุงแต่งเพราะว่าปรุงแต่งมันก็ไม่ได้อย่างอารมณ์ต่างๆไปปรุงไปแต่งมันเดี๋ยมันก็ไม่ได้มันเป็นของ ที่ถูกดูดต้งนั้นแล้วก็ผ่านไปอปีหนึ่งอยู่กับลุงปู่สุภัทที่ทำสีแก้วหนึ่งเร่งความเพียรเร่งไปเร่งมาเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ในทางกนันปัตตาเ ด, ดือกกรดกาดขึ้นไปกลาวท่านอยู่ในกุฏิพิจารณาแล้วยังไม่ออกท่านก็สอนสั้นๆเลยนะลุงปู่สุภัทเฮระวังท้บรมมาปุงกิจมพอท่านบอกแค่นั้นแหละก็ไม่ถามท่านเด็กก็ลงมา เรามาพิจารณาตัวทำอารมณ์มาปรุงกิตเป็นยังไงอ๋อเราก็รู้ว่ากิตเนี่ยมันคิดไปจำแล้วรู้สึกความจําความรู้สึกนั่นแหะเป็นทำอารมณ์ถ้าแล้วรู้สึกแล้วถ้าไปกินดีไม่ก็จะปรุงแต่งอ่ทาทำอารมณ์ตอนนั้นมั น, มนไม่ใช่ามาปรุงแต่งกิจแต่มันโตโชแต่ว่าจิตถ้าหลงทำอารมณ์แล้วก็ไปปรุงแต่งว่าดีก็ต้องการไม่ดีก็ไม่ต้องการ มันจะเกิดอย่างนี้ยินดียินร่ายินดียินล่ า, ยยลาอยู่แต่ละวันอืส่วนละเอียดของจิตแต่ว่าข้างนอกอาจจะไม่แสดงการนะแต่ข้างในมันมีปรากฏการ์อย่างตาเห็นดูดินบางทีเข้าใจว่าตัวเองเข่งปฏิบัติล่างบาตรแล้วก็ตั้งใจล่างบาตรนะในกะาตั้งใจล่างบาตรเนะี่เพื่อนพระเนียนคุยกันลเล่นเล่นเลอยู่จิตมันก็เนื้อติเนะู้อไม่ตั้งใจไม่ระวัทรงดมก็ระวังเ น, ะนะนะนี่ยใขณะที่ไปติครับปุนะ๊บเน่ะ เราก็แพ้แล้วแพ้กิเลสแล้วบางทีเช็ดบาดอยู่เราสงบเงียบรีบเช็ดรีบทาความสะอาดรีบขึ้นไปหุติหเมื่อจะโดนจงกรมถ้าเราคุยกันโลดโลดละเลยอยู่เนี่ยมัก็ไปตีเขาอีกตีเขาอีกเรา ก, ก็แพ้กิเลสอีกเพราะเข้าใจประโยความดีกว่าเขาเออ่ไปอย่างนั้นแหลมันไม่ทันมันนะมันเรื่องธรรมดาทั้งเราอยู่ด้วยกันเหมือนกันทํา ง, งานด้วยกันบา ง, งาทีเป็นหัวหน้าน่สังคกน้องแล้วบา ง, ง, งาทีลุกน้องมาไม่ตรงเวลาบ้างทําอะไรผิดผิดถูกถูกบ้าง ก็ขัดเชื้อขึ้นมาตรงเี้ขึ้นมาลอแพร่แล้วเป็นอย่างนั้นในเรื่องของธรรมะแต่เรื่องหน้าที่มันอาจจะถูกแต่ว่าเรื่องกิเลสเราต้องดูแลรักษาใจเราให้ทันด้วยวเราจะเสียเปียบมันอยู่เรื่อยๆขัดเครื่องนี่ก็คือว่ายินร้ายแล้วไม่พอใจในการในงา น, นอะไรก็แล้วแต่ได้ลูกน้องหรือว่าไม่พอใจในหัวหน้าพอใจในเพื่อนฝูงหรืออะไรทั้งนั้นะแพร่กิเลสทั้งนั้นแหละการว่าความยินดีก็หลงไหลความยินร้ายก็ขัดเครื่อเนะี่ย ตรงนั้นและการเครื่อนเนี่ยเป็นกระแสะของกิเลสทังนั้นเราตรงองได้เกิดขึ้นละทันทีละโดยสติปัญญาข้อปฏิบัติเนี่ยนี่เรื่องการของฝึกตน <c oughs> วันนี้ก็ได้อธิบายมากบหลายนาทีแล้วสมควรในการเวลาขอให้บุญญาบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ อบรมกระทธรรมบำเพ็ญมาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีฟังธรรมก็ดีคุณานางความดีที่ทํางานร่วมกันใน TOT นี่ก็ดีมีพี่สาวควาุณพูดต่างๆนานาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมาหลายวันหลายเดือนในปีนี่ก็ดีขอขอความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำำํารําเพ็ญทั้งทางศาสนาและทางวิชาการหรือทางสังคมแบบนี้ขออานวยอวยัย ใ, ให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญขอจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาอวิชาความรู้ ในทางธรรมะกับจักปัดต่อาอัศวะน้อยใหญ่ ใ, ใจของเราจึงสุงความสามารถของเราในเมื่อเราตั้งใจอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติมีสัมปัานะวิสติปัญญารักษาตัวเองอยู่ในชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนในเมื่อฝึกตนดีแล้วก็จะนําความสุขความจเจริญมาให้ดังที่แกงสแสดงมาเห็นว่าสมควรจะการะเวลาเอวังเขมีด้วยประการชานีสาธุ